มีเรื่องเล่าว่าพระองค์หนึ่งพายเรือไปท่านต้องการจะหยุดเรือก็เหนียวใบตะไคร้น้ำใบมันขาดก็เป็นอาบัาติปาจิตตีบังเอิญท่านไม่ได้ทำคืนอยู่ป่าไม่มีภิกษุที่จะปรงอาบัตพอท่านจะตายก็เกิดร้อนใจคิดว่าเราไม่ได้โปรงอาบัตไม่บริสุ์รู้สึกเหมือนใบตะไคร้น้ำมาผ่นคออยู่ จึงไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นพญานาคนี่คืออันตรายยิ่งก ร, รมไปเข้าตัววิบาศนไปเกิดได้คติวิบัติตอนหลังแม้ไปเกิดได้พบพระพุทธเจ้าแต่ว่าได้ฟังธรรมแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าควรจะได้บรรลุธรรมในครั้งนั้นแต่เนื่องจากว่าคติวิบัติการเอาไว้จึงบรรลุไม่ได้หรือเรื่องพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ อันตรา ย, ยิกธรรมคืออานันตริยกรรมฆ่าบิดาการบรรลุธรรมเป็นอันหมดหวังไปในชาตินั้นฉะนั้นท่านจึงเน้นว่าถ้าเป็นอาบัติปราชิกก็ต้องรีบสึกถ้าเป็นสังฆาธิเศษก็รีบปรงอาบัติรีบอยู่กรรมถ้าเป็นอาบัติอื่นๆก็รีบปรงอาบัติให้บริสุทธิ์ก็สามารถบรรลุธรรมหรือทําคุณธรรมต่างๆให้เจริญต่อไปได้สมมุติว่า ต้องอาบัตแล้วศึกไปสิปีแล้วกลับมาบวชใหม่ก็ต้องอยู่กรรมสิบปีนานเท่ากับเวลาที่ปกปิดไว้อันนี้พูดถึงปาติโมขสังวรปารติโมคเคจะสังวโรความสำรวมในปาติโมสำหรับบรรพชิตหรืออนาคาริยาวินยัยอีกปริยายหนึ่งท่านแสดงปาริสุทธิที่ศีลสีว่าเป็นอนาคาริยาวินยัย เป็นวินัยของบรรปชิตหนึ่งปาติโมขสังวรสำรวมในปาติโมปาติโมขสังวร น, นี่มีอีกชื่อหนึ่งว่าเทศนาสุทธิแปลว่าบริสุทธิ์ได้ด้วยการแสดงเช่นเป็นอาบัตแล้วแสดงอาบาัตคือสารภาพผิดก็บริสุทธิ์ได้เช่นผู้เป็นอาบัตประราชิกก็แสดงตัวด้วยการสึกแสดงตัวว่าอยู่ไม่ได้แล้วก็สึกเสีย เพราะมีทางที่จะบำเพ็ญคุณงามความดีได้อีกมาก 2. อินเสียสังวรสำรวมอินเสียหกตาหูจมูกลิ้นกายใจระวังไม่ให้บาปอากุศลรั่วไหลเข้ามาในจิตใจท่านเรียกว่าสังวระสุทธิบริสุทธิ์ได้ด้วยการสังวรยังสังวร อ, อยู่ตราไปก็ยังบริสุทธิ์อยู่ตราบนั้น พอขาดสังวรก็จะเสียอินทรียสังวรฤสีโลมะัสะกัสปะมีตะบะแรงกล้า ม, มากคนทั้งบ้านทั้งเมืองเคารพนับถือมีชื่อเสียงโด่งดังมากเคร่งจนอาจของเท้าสักกะร้อนก็เลยไปบอกพระเจ้าพรารณสีว่าถ้าต้องการเป็นใหญ่ในโลกต้องทำพิธีบูชา ย, ยัน แต่ต้องไปเอาโลมาสะกัดสะปะฤสีมาทำพิธีก็ทรงส่งอมาตไปขอร้องท่านก็บอกไม่เอาไม่ทำท้าวสักกะก็ปลอมตัวมาอีกทีว่าให้ส่งพระนางจันทวดีราชธิดาก็จะสำเร็จโดยให้พระราชธิดาแต่งกายงามและทาน้ำหอมฤสีพอได้กลิ่นหอมเหลียวดูเห็นหญิงงามก็งงลืม เรียกว่าทำลายอินทรียสังวรนอำหมาที่ไปด้วยสังเกตรู้มีประสบการณ์จึงบอกว่าถ้าท่านฤาษีต้องการราชธิดาก็ให้ไปทําพิธีบูชา ย, ยันก็จะได้ฤาษีก็ไปทําพิธีทันทีพอเงื้อดาบจะฟันสัตว์พวกสัตว์ร้องก็ได้สติเอ๊ะเราทําอะไรเลยไม่เอาทิ้งดาบกลับไปอยู่ป่าไม่ยุ่งกับใคร นี่คือบริสุทธิ์ได้ด้วยการสังวรเพราะขาดสังวรอินทรีย์สังวรก็แตกทำลายไปผู้บำเพ็ญตบะจำนวนมากเลยที่เสียตบะเพราะสิ่งเหล่านี้มาเยอะแยะคือต้องมีสติตลอดเวลาเผลอไม่ได้เลยเรื่องโลมาสากศ ป, ปะนี้คาถาเพราะมากบลังจันโดบาลังสุรโยบาลังสมณะบรามนา บลาลังเวลาสมุดดัษสะดวงจันกก์ก็มีกำลังดวงอาทิตย์ก็มีกำลังสมณพราหมกก็มีกำลังฝั่งมหาสมุตรก็มีกำลังแต่ว่าบาลติบาลมิทธิโยสตรีมีกำลังมากกว่านั้นจงดูเถิดดูนางจันทวดีราชธิดาสามารถนำเอาโรมัสกัปสปะอศีผู้มีตบะกล้ามาได้ ก็ด้วยกำลังของสตรีอันนี้เกี่ยวกับอินเสียสังวรสามอาชีวบาริสุทธิ์มีอาชีพบริสุทธิ์ท่านเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าบาริเยสนะสุทธิคือบริสุทธิ์ด้วยการแสวงหาต้องแสวงหาโดยบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวข้องกับอเนสนาอาเนสนาคือการแสวงหาที่ไม่สมควร เป้นขาดจากการสแสวงหาปัจจัยมาเลี้ยงชีพด้วยวิธีที่ไม่สมควรทุกอย่างอเนสนาคืออย่างไรคือการเรียบเคียงการสแสวงหาโดยไม่ชอบธรรมไม่เหมาะกับความเบนบันพชิตสมมติเจ้าอาวาสเอาเงินวัดไปทำคอนโดเก็บค่าเช่าเข้าวัดอันนี้ควรให้กรรมการวัดทำไม่ใช่พระรำเพราะมันจะเสียไปหมดอินทรียสังวรเสีย ปาติโมขะสังวรก็เสียอาชีวปาริสุทธิ์ก็เสีย 4. ปัจจยัสันิสิตศีลคือระเบียบวินัยที่เกี่ยวกับการสั่งสมปัจจัยคือได้มาโดยบริสุทธิ์แล้วจะทำอย่างไรกับสิ่งที่ได้มานั้นท่านใช้อีกชื่อหนึ่งว่าปัจเจเวคขณะสุทธิแปลว่าบริสุทธิ์ด้วยการพิจารณา คือได้ปัจจัยมาโดยบริสุทธิ์แล้วก็ต้องพิจารณาก่อนที่จะบริโภคใช้สอยมิฉะนั้นก็จะเป็นการบริโภคนี่อินนะบริโภคการบริโภคสี่อย่าง 1. เทยยะบริโภคไม่มีศีลไม่มีธรรมเป็นผู้ทุศีลบริโภคปัจจัยของชาวเมืองในฐานะของผู้มีศีล ในทางอนาคาริยาวินัยท่านละเอียดประณีดถ้าเป็นรารวาสก็ไม่มีปัญหาเขาให้มาแต่ถ้าตัวเป็นผู้ไม่มีศีลมีธรรมไม่สมควรที่จะรับปัจจัยถือว่าเป็นการขโมยเพราะว่าเขาให้แต่ผู้มีศีล 2. อ, อินนบริโภคบริโภคอย่างเป็นหนี้ถ้ามีศีลมีธรรมแต่ไม่พิจารณาในการใดการหนึ่งเช่น ก่อนบริโภคกำลังบริโภคหลังจากบริโภคแล้วถ้าไม่พิจารณาก็เป็นอินะบริโภคบริโภคอย่างเป็นนี่การพิจารณาต้องทํากับทุกอย่างเช่นอาหารที่รับมาจีวรที่รับมาเป็นต้น 3. ทายัชะบริโภคบริโภคอย่างทายาท คือว่าปัจจัยนี้เขามีไว้เพื่อผู้มีศีลมีธรรมว่าเป็นทายาทของพระพุทธเจ้าฉะนั้นผู้มีศีลมีธรรมถือว่าเป็นทายาทของพระพุทธเจ้ามีสิทธิ์ในการที่จะบริโภคปัจจัยของบิดาคือพระพุทธเจ้าผู้ให้กลับเป็นหนี้ผู้รับคือท่านมาฉันอาหารที่บ้านเป็นการเปิดโอกาสให้ทาความดีสสามีบริโภคบริโภคอย่างเป็นนาย คือผู้รับมีคุณธรรมสูงผู้ให้กลับเป็นหนี้ของผู้รับเรียกว่าสามีบริโภคคือบริโภคอย่างเป็นเจ้าของเป็นนายเป็นใหญ่ยกตัวอย่างเช่นพระอาริยบุคคลท่านรับปัจจัยของผู้ใดผู้นั้นก็จะได้บุญมากอาคาริยววินยัยวินัยของคฤหัดพูดถึงปาติโมคเคจะสังวโร การสำรวมในปาติโมกเป็นวินัยของผู้ครองเรือนแต่ก่อนจะพูดตรงนี้ผมขอพูดเรื่องศีลสีลักษณะสะก่อนอันนี้เป็นคำของพระสารีปุตรเจตนาศีลังเจตนาชื่อว่าศีลเจตสิกังศีลังเจตสิกชื่อว่าศีลสังวโรศีลังความสำรวมชื่อว่าศีล อวีติกโมสีลังความไม่ล่วงละเมอชื่อว่าศีลเป็นสีประการด้วยกันเจตนาศีลหมายถึงศีลทางกายทางวาจาตามคามอธิบายในวิสุทธิมัชหมายถึงศีลทางกายทางวาจาเว้นความชั่วทางกายทางวาจาเรียกว่าเจตนาศีลเว้นความชั่วทางใจเรียกว่าเจตสิกศีลเช่อนอนาพิชชา ไม่โลภอยากได้ของคนอื่นอาพยาบาทไม่ปองร้ายสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบถ้าเอากุศลกรรมมาบทมาตั้งข้อหนึ่งถึงเจก็เป็นเจตนาศีลข้อ8ถึงสิเป็นเจตสิกศีลศีลทางใจสังวโรศีลังสังวรศีลอันนี้ท่านหมายถึงสังวรห้าก็คือ หปาติโมขสังวรสัมรวมในปาติโมกสอสติสังวรหรืออินเสียสังวรสัมรวมอินทรียหกตาหูจมูกลิ้นกายใจ 3. ญาณสังวรคือละกิเลสหรือระวังกิเลสด้วยปัญญาหรือปิดกั้นกิเลสด้วยปัญญาว่ากระแสตัณหาเหล่าใด แระแสตัญหาเหล่านั้นบุคคลปิดกั้นได้ด้วยปัญญา 4. ขันติสังวรระวังกิเลส ด, ด้วยความอดทนด้วยขันติ 5. วิริยะสังวรระวังกิเลส ด, ด้วยความเพียรอันนี้ก็ต้องการจะนำเข้าไปหาอาคาริยะวินัยนะครับศีลสีส่ประการนี้ต้องการจะนำไปสู่กุศ ล, ลกรรมบทอากุศ ล, ลกรรมบท เพราะว่าข้างต้นได้บอกไว้ว่าการเว้นความชั่วทางกายทางวาจานั้นเป็นเจตนาศีลการเว้นความชั่วทางใจเป็นเจตสิกศีลอาคาริยาวินยัยท่านระบุมาถึงกุศลกรรมบดสิบคือเว้นความชั่วทางกายสามอย่างทางวาจาสี่อย่างและเว้นความชั่วทางใจสามอย่าง ก่อนจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมจะคุยเรื่องความรู้สึกที่ไม่ดีต่อผู้อื่นคืออกุศลกรรมบทมันเริ่มที่ปานาติบาการฆ่าการทาลายล้างก่อนที่จะมีการฆ่าการทำลายล้างมันจะต้องมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อผู้อื่นด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งก็ตามเช่นเรื่องของโคสกะ จะพบธรรมะมากมายในท้องเรื่องเริ่มต้นจากเขาเป็นโกตุหัลิกแล้วก็เดินทางกับภรรยาหนีทุพพิขภัยจากอันลักัปปะไปโกสัมพีในระหว่างทางมีลูกไปด้วยคนหนึ่งก็เหน็ดเหนื่อยมากเปลี่ยนกันอุ้มถึงเวลาที่ภรรยาอุ้มเด็กก็ประคองลูกเหมือนกับประคองดอกไม้ แต่พอถึงเวลาที่โกตุฮาลิกผู้เป็นสามีอุ้มก็อุ้มไปอย่างผัดไม่ได้อยากจะทิ้งเลิอเกินในที่สุดก็ตัดสินใจทิ้งลูกโดยไม่ให้ภรรยารู้เดินทางต่อไปพอไปถึงทางแห่งหนึ่งภรรยาก็เหลียวมาดูถามว่าลูกไปไหนก็บอกว่าแอบทิ้งเอาไว้ข้างหลังพุ่มไม้ก็เดินกลับกันมารับลูก ในเวลาที่อุ้มไปอีกทีหนึ่งนั่นเองลูกก็ตายทั้งสองคนก็เดินทางต่อไปไปถึงบ้านของโคบาลเขากำลังเลี้ยงพระปัจเจกพุทธเจ้าเขาก็สงสารเห็นว่าอดอยากมานานให้อาหารกินเจ้าโกตุหัน ล, ลิกินมากเหลือเกินฝ่ายภรรยาไม่กินให้สามีกินให้อิ่มก่อนค่อยกินทีหลัง ในเวลานั้นก็มีสุนัขตัวเมียนอนอยู่ใต้ต่างที่นายโคบานนั่งเขาก็ให้กินข้าวปลายยอแกก็คิดว่าสุนัขตัวเมียตัวนี้มีบุญมีอาหารการกินดีกว่าเราเยอะเลยเราก็อดอยากมาตั้งเจ็ดวันแล้วไม่มีอะไรกินเลยสุนัขมีของดีๆกินทุกวันคืนนั้นอาหารไม่ย่อยเพราะกินมากเกินไปก็ตาย ปรากฏว่ามาเกิดเป็นลูกของแม่สุนัขตัวนั้นฝ่ายภรรยาชื่อกาลีคิดว่าสามีตายแล้วอยู่ตัวคนเดียวก็วเลยขออยู่ที่บ้านนายโคบาลเพื่อจะได้ทำอะไรต่ออะไรให้นายโคบาลถือว่าเป็นบุภการีมีอุปการะถึงจะไม่ได้ทำอะไรอย่างน้อยก็ได้ไหว้พระปัจเจกพระเเจ้าก็ยังดี ยังช่วยเขาทำบุญกับพระปัจเจกับพุทธเจ้านี่กำลังเดินทางบุญนะครับลูกสุนัขนั้นรักพระปัจเจกับพุทธเจ้ามากเพราะให้อาหารมันทุกครั้งมันก็เติบโตขึ้นวันหนึ่งพระปัจเจกับพุทธเจ้าปรารภกับนายโคบาลว่าท่านจะไปทำจีวรเพราะจีวรที่ใช้อยู่นี่เก่ามากแล้วท่านจะไปทาจีวรที่ภูเขาพันธมาร เพมีพระปัจเจกับพุทธเจ้ามากด้วยกนันช่วยกันทำสุนักนั้นมันรู้ประสีประสานแล้วมันก็เสียดายมากเพราะอะไรในพระปัจเจกับพุทธเจ้าเพราะว่าวันไหนที่ในโคบาลไม่ว่างมันจะไปรับพระปัจเจกับพุทธเจ้ามาฉันที่บ้านมันอาลัยมากพอพระปัจเจกับพุทธเจ้ารับตาไปมันก็หัวใจวายตาย ตายแล้วไปเกิดเป็นเทพปุตรชื่อโคสกะเทพปุตรเสียงดังมากเพราะอา น, นิสง์ที่เห่าพระปัจเจกับพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นสุนักเห่านี่คือเห่าด้วยความรักตอนไปรับพระปัจเจกับพุทธเจ้าก็เห่าขึ้นสามครั้งตรงไหนที่กลัวว่าจะมีสัตว์ร้ายมันก็เห่าขึ้นเพื่อจะไล่สัตว์ร้าย ด้วยอนิสงฆ์ที่มีความรักความเลื่อมใสในพระปัจเจกพุทธเจ้าทำให้ไปเกิดเป็นเทพประบุชื่อโคสกะแต่ก็อยู่ไม่นานเพราะว่าหลงในกามคุณไม่ได้กินอาหารเรียกว่าจุติพระชีนาหารอาหา ร, าหา ร, รขเยนนะหมดอาหารแล้วก็มาเกิดในโลกมนุษย์ต่อไปเทวดานี่ถ้าไปเกิดในภพที่สูงกว่าเรียกว่าหมดอายุ ถ้าไปเกิดในภพที่ต่ำกว่าเรียกว่าหมดบุญอย่างเช่นเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์คือบุญที่เคยทำสะสมไว้สมัยเป็นมนุษย์ได้หมดลงก็มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วค่อยสะสมใหม่อีกพวกหนึ่งก็คือเพราะความโกรธหรือความวิสยาต่อสมบัติของผู้อื่นทนไม่ได้ต่อสมบัติของผู้อื่ น, น, นก็จุดติเหมือนกันก็มีอยู่สีพวก ส่วนโคสกะจุติเพราะอดอาหา ร, เ, ราเพราะเลิดเปลืนกามาคูณมากเกินไปเมื่อมาเกิดในโลกมนุษย์ก็มาเกิดในกรุงโกสัมพีเกิดในท้องของหญิงโสเพนีโคสกะถูกทิ้งถึงเจ็ดครั้งครั้งที่หนึ่งแม่ทิ้งเองเพราะอากุสวรกรรมหรือบาปที่ได้ทำไว้สมัยเป็นโกตุหลริกทิ้งลูก พวกปาพวกนกก็มาล้อมกันอยู่ไม่มีอันตรายเข้าใกล้เพราะบุญคุ้มครองเอาไว้มีคนผู้หนึ่งเดินผ่านมาเห็นเข้าก็เอาไปเลี้ยงเป็นลูกใกล้ๆกันนั้นก็มีมหาเศรษฐีใหญ่ในเมืองโกสัมพีไปเฝ้าพระราชาแล้วก็เดินสวนทางกับราชปุโรหิตก็ทักทายปราศัยตามความคุ้นเคยถามว่า ท่านอาจารย์วันนี้มีอะไรแปลกๆบ้างในบ้านเมืองเราราชาบุโรหิตบอกว่าก็ไม่มีอะไรมากท่านเงยขึ้นดูท้องฟ้าบอกว่าจะมีคนมีบุญมาเกิดจะเป็นเศรษฐีใหญ่ในเมืองนี้พอดีภรรยาของเศรษฐีมีคันแก่ก็รีบให้คนไปดูภรรยาว่าคลอดแล้วหรือยังปรากฏว่ายังไม่คลอดเลยให้หญิงคนใช้ไปถามดูว่า ในวันนี้มีเด็กที่ไหนเกิดบ้างปรากฏว่าก็ได้โคส ก, กะด้วยการซื้อมาในราคาแพงต่อมาแกก็คิดว่าถ้าเผื่อลูกของเราเกิดมาเป็นผู้หญิงก็จะให้แต่งงานกันเพราะว่าเด็กคนนี้ต่อไปจะเป็นเศรษฐีใหญ่แต่ว่าถ้าลูกของเราเป็นผู้ชายเราจะฆ่าเด็กคนนี้เสียนี่เริ่มคิดร้ายแล้วมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อผู้อื่น ทีนี้มันจะมีผลร้ายตามมามากมายเริ่มต้นจากการคิดร้ายอันนี้มิจฉาปณิหิตต่างจิตต่างตั้งจิตไว้ผิดถ้าเศรษฐีคนนี้แกคิดซะใหม่คิดว่าถ้าเราได้เด็กคนนี้มาแล้วอุปถัมภ์ให้ดีเพราะว่าเขาจะเป็นเศรษฐีใหญ่ก็จะเป็นบุญมากต่อมาไม่กี่วันลูกของตัวเองก็เกิดมาเป็นผู้ชาย คราวนี้ก็ดำเนินตามแผนวางแผนพยายามฆ่าเด็กคนนี้ถึงหครั้งครั้งที่หนึ่งก็ให้เอาไปวางไว้ที่ปากคอกวัวคือถ้าวัวออกมามันต้องเหยียบเด็กตายแน่แล้วให้กาลีหญิงรับใช้ไปดูว่าตายหรือไม่ตายธรรมดาโคในฝูงมันจะออกทีหลังโคอื่นจะออกก่อน แต่ว่าวันนั้นโคนายฝูงรีบออกมาก่อนแล้วก็มายืนค่อมเด็กเอาไว้โคตัวอื่นก็เบียดเสียดจนไปสองข้างของโคนายฝูงในโคบาลที่คุมโคอยู่มาเห็นเขาก็รักเด็กเอาเด็กไปเลี้ยงกาลีก็มารายงานเศรษฐีเศรษฐีก็ให้ไปซื้อมาอีกแล้วเอาไปวางไว้หน้าเมืองที่พวกกวยนจะออกไปตอนเช้า มีโคที่นำเกวียนเล่มแรกมันก็ยืนคล่อมเด็กไม่ยอมขยับขยื่นในกองเกวียนก็ไปดูพบเด็กก็รับเด็กเอาไปเลี้ยงกาลีก็ตามไปซื้อกลับมาทีนี้ก็เอาไปไว้ป่าช้าผีดิบคิดว่าสุนัขหรืออมนุษย์ก็คงทำร้ายเด็กก็มีแม่แพ้มายืนคล่อมให้กินนมคนเลี้ยงแพ้มาเห็นเข้าก็รับเอาไปเลี้ยงกาลีไปซื้อมาใหม่ ครวนี้เอาไปทิ้งเหวที่ทิ้งโจรบังเอิญมีต้นไผ่ขึ้นมาก็ไผ่นานแน่นรับเด็กเอาไว้ช่างสารไม้ไผ่มากับลูกชายได้ยินเสียงเด็กร้องก็ลงไปดูก็เลยเอาไปเลี้ยงไว้ก็ทำอยู่อย่างนี้จนเด็กโตขึ้นเล่นกับใครต่อใครได้แล้วไม่รู้จะทำอย่างไรแต่ว่าไม่ได้ให้เรียนหนังสืออะไรเลย เศรษฐีดำเนินอยู่ในอกุศ ล, ลกรรมบทตลอดชีวิตอยู่ในทางอากุศลตลอดจองเวรจองกรรมกับเด็กที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยครั้งที่ห้าเศรษฐีทรงเด็กไปให้ช่างหม้อซึ่งเป็นเพื่อนกันเขามีเตาเผาหม้อเผาอิดเขียนจดหมายไปบอกว่ามีลูกธรพีคนหนึ่งไปถึงเมื่อไหร่ก็ให้สับแล้วเอาเข้าเตาเผาเลย แล้วให้โคสกะใส่ชายพกไปโคสกะไปเจอลูกชายแท้ๆของเศรษฐีกําลังเล่นอยู่กับเพื่อนก็แพ้พนันก็บอกว่าพี่โคสกะช่วยเล่นหน่อยเพราะแพ้มาเยอะแล้วโคสกะบอกไม่ได้พ่อใช้ให้เอาจดหมายไปให้ช่างหม้อไม่เป็นไรผมเอาไปเองพี่ช่วยเล่นหน่อยลูกชายเศรษฐีก็รับจดหมายเอาไป โคสกะก็เล่นจนเย็นโคสกะก็กลับมาบ้านเศรษฐีเศรษฐีก็ถามว่าที่ให้เอาจดหมายไปเป็นยังไงโคสกะก็เล่าให้ฟังคราวนี้เศรษฐีถึงกับเพ้อคลั่งเลยนี่ผมเล่าให้ฟังเพื่อให้เห็นว่าการเดินทางในกุศลกรรมมบทแบบอกุศลกรรมมบทต่างกันอย่างไรเศรษฐีเพ้อคลั่งประคองแขนร้องไห้ไปบ้านช่างหม้อว่า อย่าทำร้ายลูกฉันมันไปถูกเอาลูกของตัวเองนะครับมันเหมือนกับพวกท้ายยาเสพติดไปขายคนอื่นทำไปทำไปลูกของตัวเองจะมาติดยามีเรื่องร้อนใหญ่โตรตรงนี้พระเถรกถาาจารย์ท่านให้ธรรมะเอาไว้ดีท่านบอกว่าคิดประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้ายจะได้รับโทษอย่างน้อยอย่างใดอย่างหนึ่งในสิบอย่างนี้คือ 1. ประสบทุกขเวทนากล้าแข็ง 2. ประสบความเสื่อม 3. การแตกทำลายแห่งสรีระ 4. อาพาธหนัก 5. จิตฟุ้งซ่าน 6. อุปสรรคเหตุขัดข้องจากผู้ใหญ่ในที่นั้นใช้คำว่าเหตุจากพระราชา 7. การถูกกล่าวหาเรื่องร้ายแรง 8. เสื่อมญาต เเสื่อมซ้าสิบไฟหรือไฟป่าอาจจะไหม้บ้านเมื่อตายแล้วก็ไปเกิดในนรกครั้นต่อมาเมื่อเศรษฐีร้องไห้คร่ำครวญได้รับโทษหนักอย่างนี้แล้วก็ยังไม่เลิกละความพยายามที่จะฆ่าโคสกะว่าได้เขียนจดหมายฝากโคสกะไปให้ผู้จัดการผลประโยชน์ของเศรษฐีในชนบทบอกว่า เมื่อได้รับจดหมายแล้วก็ให้จัดการค่าบุคคลผู้นิเซียแล้วให้ฝังกับหลุมซ่วมระหว่างทางเศรษฐีก็ให้ไปพักที่บ้านลูกน้องลูกสาวเศรษฐีผู้นี้ได้ทราบข่าวว่ามีคนชื่อโคสกะมาพักพอได้ยินคำว่าโคสกะความรักก็แเล่นเข้าจดเยื่อในกระดูอัฐิมินชังอาหัจจะ ลูกสาวเศรษฐีคนนี้ไม่ใช่ใครอื่นก็คือนางกาลีภรรยาของโกตุหลิกนั่นเองจึงได้เกิดความรักโคสกะก็ไปดูเห็นจดหมายอยู่ที่ชายพกก็ถือวิสาสะดึงออกมาดูในขณะที่โคสกะหลับอ่านเสร็จแล้วก็ว่าโอ้ผู้ชายคนนี้โง่จังพกจดหมายค่าตัวเองก็เลยปลอมสารไปถึงผู้จัดการผลประโยชน์ของเศรษฐีใหญ่ บอกว่าได้รับจดหมายของผู้นี้แล้วให้จัดการแต่งงานกับลูกสาวเศรษฐีก็คือตัวนางเอ ง, เองนั่นแหละโคศกะก็ไปหาผู้จัดการผลประโยชน์ซึ่งก็ทําการแต่งงานให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งข่าวไปว่าบัดนี้ได้จัดการแต่งงานให้เรียบร้อยแล้วเศรษฐีมีอะไรจะให้ทาอีกก็ขอให้บอกไปยิ่งทราบอย่างนี้เศรษฐีเกือบจะเป็นบ้า ป่วยหนักมากก็ส่งข่าวไปให้โคสกะรีบกลับมาส่งข่าวไปก็ไม่กลับมาเพราะพันรายาโคสกะไม่ยอมให้กลับมาจนเขาส่งข่าวมาว่าเศรษฐีป่วยหนักมากแล้วไม่รอดแน่คราวนี้พันรายาก็ไปกับโคสกะไปถึงก็ไปยืนกันอยู่พันรายาเป็นคนฉลาดมากบอกให้โคสกะยืนอยู่ที่ปลายเท้าตัวเองยืนอยู่ด้านศีรษะ เศรษฐีนั้นยังเกลียดโคสกะก็ต้องการจะพูดว่าไม่ให้สมบัติกับโคสกะแต่ความที่ป่วยหนักเลยพูดว่าให้พูแค่นี้ลูกสะพ้ยก็ทำทีว่าเศร้าโศกเหลือเกินก็เลยเอาหมอนทับลงคลุกศรีรษะลงกับหน้าอกเศรษฐีก็สิ้นใจพอดีตกลงโคสกะเลยกลายเป็นเศรษฐีใหญ่ได้สมบัติทั้งหมด คนเราเมื่อผิดครั้งที่หนึ่งมันจะนำไปสู่ครั้งที่สองเพื่อจะปกปิดความผิดครั้งที่หนึ่งหรือมีความพยายามในทางผิดตลอดนี่คือตั้งจิตไว้ผิดแล้วก็เดินอยู่ในทางอากุศ ล, ลกรรมบทเรื่องราวของโคสกะทั้งหมดแสดงให้เห็นทางของกุศลและอกุศลชัดเจนตั้งปัญหาขึ้นมาว่า ภรรยาของโคสกะที่เอาศีรษะคลุกลงบนอกของเศรษฐีเมื่อพูดว่าให้เท่านั้นคือรู้ว่าต่อไปจะพูดอะไรก็คิดว่าจะให้จบแค่แค่นี้และคลุกศีรษะลงบนอกของเศรษฐีและเศรษฐีก็ตายจะตั้งปัญหาว่าการกระทํานี้ถูกหรือผิดสมควรหรือไม่สมควรอันนี้จะวินิจฉัยว่าอย่างไร คือถ้าพูดถึงเจตนาในการฆ่าก็มีแน่ความพยายามในการฆ่าก็มีเศรษฐีก็ตายคือถึงไม่ทำท่านก็ต้องตายแต่ว่าในกรณีนี้เศรษฐีตายเพราะการกระทาของลูกสะพายถ้าเอาองค์ของปาณาติบาตมาจับก็แปลว่าผิดศีลข้อปาณาติบาตปัญหาที่จะถามก็คือว่าควรทาหรือไม่ควรทา เพราะว่าความถูกความผิดความควรมันเป็นคนละอย่างอย่างในเรื่องกุนทนเกศีที่ผลักโจนลงเหวคือพูดถึงเจตนาในการฆ่าก็มีพยายามในการฆ่าก็มีและโจนก็ตายแต่ปรากฏว่าเทวดาสาธุการว่าบุรุษจะเป็นบัณฑิตในที่ทั้งปวงก็หาไม่สตรีที่มีปัญญาวิจักก็เป็นบัณฑิตได้เหมือนกัน เทวดานุโมทนาต่อการกระทาของกุนทนเกษีแล้วกุนทนเกษีก็ไปบวชแล้วก็ได้เป็นพระอระหันต์เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องหน้าวินิจฉัยนะครับเป็นปัญหาทางจริยศาสตร์คือถ้าพูดในด้านศีลธรรมเอาองค์ศีลมาจับก็ผิดศีลแต่ว่าพอถามว่าควรทำหรือไม่ควรทำคำตอบมันจะออกมาว่าควรทำ สมมุติว่านางกุนทนเกษีไม่ทำแกก็ต้องตายแล้วก็ตายโดยที่ไม่ได้อะไรแล้วก็ไม่สมควรที่จะต้องตายกับคนชนิดนี้อย่างเรื่องที่คนกินยาบ้าจับเด็กไปแล้วเด็กตายเพราะคนอย่างนั้นมันไม่สมควรคือถ้าคนที่กินยาบ้านั้นตายใครๆก็สาธุการ ในกรณีนี้ถ้าตํารวจวิสามันฆาตกรรมคนกินยาบ้าก็ไม่มีใครว่าอะไรถึงแม้เจตนาการฆ่าก็ครบกระบวนการในกรณีเศรษฐีกับภรรยาโคสกะพิจารณาตามท้องเรื่องเศรษฐีนั้นพยายามฆ่าโคสกะมาตลอดทีนี้เป็นการสมควรหรือไม่ที่เศรษฐีจะต้องตายในลักษณะนั้น ก็ลองพิจารณาดูนะครับอยู่ที่ควรหรือไม่ควรแต่ถ้าเอาศีลมาจับก็ผิดศีลหัวข้อต่อไปองค์ประกอบของอกคุศลกา ร, รมบท1ิบองค์ประกอบของปณติบาตประกอบด้วยองค์5 1. สัตว์มีชีวิต 2. รู้ว่ามีชีวิต 3. มมีเจตนาในการฆ่า 4. มีความพยายาม 5. สัตว์ก็ตายลงด้วยความพยายามนั้นมีปัญหาว่าถ้าไม่ตายในเวลานั้นคือไม่ตายทันทีแต่ว่าบาดเจ็บสาหัสแล้วไปตายในอีกสองสมวันต่อมาอย่างนี้จะถือว่าคนนั้นได้ทปาปานติบาหรือไม่ยกไว้พิจารณานะครับทีนี้มาถึงองค์ประกอบของอาทินนาทานประกอบได้องค์ห้า 1. ของผู้อื่นหวงแหน 2. รู้ว่าเขาหวงแหน 3. คิดจัลักส์ 4. มีความพยายาม 5. รลักได้มาด้วยความพยายามนั้นถ้าเผื่อรักไม่ได้ศีลก็ยังไม่ขาดแต่ในวินัยบางแห่งพระอัริยะาจารย์ท่านก็ อ, อธิบายเคร่งคัดเกินไปอย่างเช่นตัวอย่างที่เคยพูดกันขอเล่าอีกที พระภิกษุกอต้องการไปขโมยบาทภิกษุขอเปิดประตูเข้าไปต้องการจะขโมยบาทพอได้ยินเสียงเปิดประตูภิกษุขอร้องขึ้นมาว่าโกเอโศไรนั่นภิกษุกอก็หนีไปเธอเป็นอาบัตประชิกไปแล้วอันนี้ยังรักไม่ได้ท่านปรับเป็นอาบัตประชิกไปอันนี้เกินไปยังไม่ครบอง์ มาถึงเรื่องการมสูมิชฌาจารผู้ที่ไรก็มีปัญหาทุกทีนะครับเพราะจะมีคนสงสัยกันมากคือมันไม่ชัดเจนตามพระบาลีผู้ที่จะประพฤติผิดการมสูมิชฌาจารย์ทางฝ่ายผู้ชายก็คือไปเกี่ยวข้องกับภรรยาของผู้อื่นทางฝ่ายผู้หญิงก็คือผู้หญิงที่มีสามีอยู่ นี่คือคนที่จะผิดศีลข้อกาเมสุมิชฉาจารย์ในพระบาลีทุกแห่งที่ผมเจอพระพุทธเจ้าจะตัดว่าเสหิดารหิอสันตุดโถไม่สันโดดด้วยพันรยาทั้งหลายของตนปราดารันจะคัดฉิไปคบหากับพันรยาของผู้อื่นที่นี้มาถึงรุ่นของอัธกถาก็ อธิบายกันยาวเหยียดมากมายแต่เมื่อสรุปแล้วก็คือที่เป็นองค์ประกอบข้อที่หนึ่งก็คืออาามณียตฐานะคือสตรีนั้นบุรุษไม่ควรล่วงละเมิดคือสตรีที่มีสามีอยู่หรือมิฉะนั้นก็ผู้ที่กฎหมายห้ามคือว่าเป็นเด็กเกินไปและเรื่องการ ข, ข่มขืนจะเป็นการมสูมิจฉาจารทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นผู้ใด ประการที่สองจิตคิดจะเสพเมถุนธรรมประการที่สา ม, มีความพยายามในการเสพประการที่สใช้คำว่าองคชาติล่วงเข้าไปในอวัยวะเพศมุสาวาตพุทเทศประกอบด้วยองค์สี่เรื่องไม่จริง 2. จิตคิดจะกล่าวให้คลาดเคลื่อน 3. ความพยายามซึ่งเกิดจากจิตนั้น 4. ผู้อื่นเข้าใจความตามที่ผู้กล่าวต้องการเขาเข้าใจความนะครับส่วนจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นเป็นอีกเรื่องหนึง่งไม่เกี่ยวการเล่านิทานไม่เป็นวัตถุแห่งมุสาวาสเพราะรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นนิทานเหมือนธรรมเนียมของการลงท้ายจดหมายขอแสดงความนับถือต้องเขียนอย่างนี้ แต่จะนับถือหรือไม่นับถือในความเป็นจริงนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งปิสุนาวาจาพูดสอเสียรประกอบด้วยองค์4 1. ่คนอื่นซึ่งพึงทำลายให้แตกกัน 2. มุ่งทำลายให้ผู้อื่นแตกกัน 3. ความพยายามที่เกิดจากความมุ่งทำลายนั้น 4. ผู้อื่นรู้ความ ทีนี้คนเขาจะแตกกันหรือไม่แตกกันนั้นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเขาแตกกันก็มีโทษมากถ้าเขาไม่แตกกันก็มีโทษน้อยเกี่ยวกับเรื่องโทษนี่ค่อยพูดกันอีกทีพระุสวาจาพูดคำหยาบประกอบด้วยองค์สาหนึ่งคนอื่นที่พึงถูกดา่าสองจิตโกรธ 3. การด่าหรือการพูดคำหยาบนั้นออกไป ถ้าเผื่อจิตไม่โกรธจิตปกติก็ไม่ครบองค์พูดไปอย่างนั้นเองอย่างภาษาชาวบ้านที่เขาพูดกันตามปกติอย่างเพื่อนที่ไม่เจอกันมานานพอเจอกันด่ากันก่อนเลยอย่างนี้ไม่เป็นพารุสวาจาแต่ว่าเป็นคําไม่สุภาพสัมผัสปลา ป, ปะผู้เพื่อเจอประกอบด้วยองสองหนึ่งความมุ่งพูดเรื่องไรสาระ สพูดเรื่องนั้นออกมามโนกรรม3อภิชาโลภอยากได้ของผู้อื่นประกอบด้วยองค์สองหงของของผู้อื่น 2. น้อมใจอยากได้ของของผู้อื่นเพียงแต่น้อมใจกรรมบุตรขาดแล้วไม่ต้องทําอะไรมากพยาบาทปองร้ายประกอบด้วยองค์สองหนึ่ง บุคคลอื่นที่จะพึงถูกพยาบาท 2. ความคิดเพื่อความพินาศของบุคคลผู้นั้นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดประกอบด้วยองค์สอ ง, งเรื่องไม่เป็นจริงตามที่เห็นไปเช่นเห็นว่าทำดีไม่ได้ดีแต่ความจริงทำดีได้ดี 2. ความไม่จริงนั้นปรากฏแจ่มแจ้งว่าไม่เป็นจริงอย่างนั้นแน่แน คุณสมบัติของผู้เผยแผ่าศาสนาข้อต่อไปคือข้อสมัตัญญุตามัตัญญุตาจะพัตนสมิงความรู้จักประมาณในโพชนะที่เรียกกันทั่วไปว่าโพชเนะมัตตัญญุตาหลักก็มีในอปันนกาสูตรที่เรียกว่าอาปันนกาปฏิปทาให้ถือตามหลักนั้นไว้่อน ในพระพุทธพจน์ก็จะมีบอกเอาไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้รู้จักประมาณในโพชนะนั้นคืออย่างไรและทรงอธิบายว่าภิกษุในธรรมวินนันนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วค่อยรับอาหารไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อเมาไม่ใช่เพื่อประดับตกแต่งรับปินทบาตเพียงเพื่อกายนี้ทรงอยู่ได้เพื่อไม่ให้ลาบาก เพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์เพื่อบรรเทาเวทนาเก่าเพื่อไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นให้ร่างกายนี้ผาสุกเป็นไปได้ไม่มีโทษอันนี้เรียกว่าโภชเนมัตตัญยูเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะอันนี้เอาตามพุทธพจน์ก่อนนะครับคําว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่หมายถึงผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหมดนะครับ ทั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิการวมทั้งหมดถ้าดำเนินตามนี้คือพิจารณาตามนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนและพระท่านปฏิบัติอยู่พระที่เคร่งครัดในศีลวัดปฏิบัติอยู่ก่อนที่จะบริโภคอาหารท่านก็จะพิจารณาปฏิสังขาโยนิโส ในที่นี้เราจำกัดเฉพาะเรื่องพัตตสิงในโภชนาหารแต่ที่จริงท่านก็จะพูดถึงปัจจัยสี่แล้วก็ในสิ่งทั้งปวงมัตตัญยุตตาสดาสาธุความพอประมาณดีเสมอแต่ในที่นี้เราจะคุยเจาะเฉพาะเรื่องอาหารความพอประมาณในอาหารนี้ทำให้มีทุกน้อยแก่ช้าอายุยืน ตามพระพุทธพจน์ที่ตรัสกับพระเจ้าประเสรนที่โกศนที่ว่ามนุษย์ชัดสะสดาสติมัตโตมนุษย์ที่มีสติทุกเมื่อมัดตังชาณโตลัทธะโภชนีรู้จักประมาณในโภชนะที่ได้แล้วตโน ก, กัตสะพวันติเวทนาเวทนาของผู้นั้นมีน้อยสันิ ก, กังชีรติอายุปาละยัง จะค่อยๆหล่อเลี้ยงชีวิตไปแก่ช้ามีที่ตรัสกับพระเจ้าปเสนที่โกศลอีกแห่งหนึ่งที่ว่าเมื่อใดคนกินมากเมื่อนั้นก็จะนอนกลิ้งเกลือกมากเหมือนกับสุกรที่เขาเลี้ยงด้วยผักมืนซึมเข้าห้องนอนบ่อยๆปุณับปุนางคับพระเมติมันโดสำหรับผู้สูงอายุท่านให้ทานบ่อยๆแต่ให้ทานน้อย ให้พอหล่อเลี้ยงอายุไปทานน้อยให้พอหายหิวถ้ามีมื้อหนักสามมือ้อมื้อระหว่างนั้นก็ควรจะเว้นแต่ถ้ามื้อหนักสามมื้อนั้นกินเบาๆก็แทรกได้ระหว่างนั้นเช่นสิบโมงก็แทรกเส้นหน่อยหนึ่งบ่ายสี่โมงก็แทรกเส้นหน่อยหนึ่งพระแทรกไม่ได้ก็มีน้ำปานะแทรกได้พระพุทธเจ้าให้พระฉันสองมือ้อ พระในสมัยก่อนถ้าบำเพ็ญสมณธรรมอปันนกาปฏิปทาคือมีอินเสียสังวรและชาคาิยานุโยก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมัตตัญยุตตาจพัพตตสมิงคือมัตตัญยูในโพชนะโพชเนะมัตตัญยุตตาเพราะว่าต้องการร่างกายที่โปร่งเบาการปฏิบัติธรรมก็จะดำเนินไปได้โดยสะดวกทั้งวันทั้งคืน แต่ถ้าอืดอัดเมื่อไรก็ทำไม่ได้ให้ถือหลักว่ากินเมื่อหิวไม่ใช่กินเมื่ อ, อยากแต่ที่นี้ถ้ามีข้อจำกัดว่าจะต้องเข้าโรงเรียนจะต้องเข้าประชุมอย่างนี้ถึงจะเตรียมล่วงหน้าไปถึงยังไม่ค่อยหิวก็ต้องทานเผื่อว่าชั่วโมงต่อไปอาจจะหิวมากอาจไม่สบายทำให้เป็นภาระกับคนอื่นหรือคนขับรถในกรุงเทพ เดี๋ยวนี้ก็ต้องมีอาหารติดรถเอาไว้บ้างเพราะรถติดนานถ้าเปิดทาวิปัสสนามันใช้พลังงานน้อยมันจะหิวน้อยและคนทำวิปัสสนาจะค่อยๆทานค่อยๆเคี้ยวอาหารจะละเอียดมากก็จะหล่อเลี้ยงร่างกายได้มากไม่ค่อยหิวและไม่ค่อยนอนแต่ถ้ากรรมกรไม่ได้ร่างกายทนไม่ไหว ถ้าเราตั้งใจอย่างนี้ได้ทั่วประเทศหรือสักครึ่งหนึ่งเศรษฐกิจของประเทศจะดีขึ้นเยอะในประเทศที่เขาประหยัดเขาจะกินข้าวหมดไม่ให้เหลือในฝรั่งเศสเขาสอนกันว่าอาหารที่อร่อยที่สุดคือขนมปังชิ้นสุดท้ายคือกินจนหมดขนมปังชิ้นสุดท้ายเช็ดจานเครื่องแกล้มด้วย คือกินจนเกลี้ยงประหยัดทั้งสิ่งของและประหยัดน้ำในการล้างจานด้วยเคยไปฝรั่งเศสน้ำเขาจะไหลสักพักแล้วหยุดก็สงสัยว่าทำไมที่เขาตั้งไว้ให้เป็นอย่างนั้นเวลาฟอกสบู่ให้เว้นระยะไว้บ้างเพื่อไม่ให้เปลืองน้ำเปล่าๆทำนองนี้นะครับยังสุนทรผู้สอนไว้ว่ามีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบัรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานท่านสอนดีท่านว่าอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์คือไม่ได้หมายความว่าให้ประหยัดจนขาดแคลนที่จำเป็นอย่าให้ขาดความจำเป็นขั้นพื้นฐานนะครับแต่ว่าเราต้องจำกัดความประสงค์เอาไว้ด้วย อย่าให้ประสงค์ในสิ่งที่ไม่จําเป็นและก็เท่าที่จําเป็นเด็กสมัยนี้บางพวกมีความอยากเกินเหตุเกินส่วนที่ตนควรได้เป็นหนี้เป็นสินอะไรอะไรก็เอาเพื่อให้มาฟุ่มเฟือยได้ถ้าสังเกตจะพบว่าในสังคมที่ขาดแคลนคนป่วยตายด้วยการขาดอาหารโลหิตจางเป็นต้น แต่ในสังคมที่สมบูรณ์ด้วยอาหารคนเป็นโรคตายด้วยอาหารเกินคือกินเกินอยู่เกินเป็นโรคอ้วนโรคหัวใจโรคไขมันในเลือดสูงโรคอะไรเยอะที่สืบเนื่องมาจากการกินไม่เป็นตามใจตัวเอง